ก็เจริญทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึง่งที่อาตมาภาพได้มีเวลามาพบกับทัตทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท ร, ร่วมพระพุทธศาสนาอันเดียวกัน <c oughs> และซึ่งต่างคนก็ต่างมีความมุ่งหวัง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 แต่แท้ๆที่จริงในเมื่อเราศาึกษาให้รู้ซึ้งถึงข้อเท็จจริงมาแล้วกายกับใจมันสามารถแยกออกเป็นคนละส่วนได้อันนี้พูดเฉพาะในทางปฏิบัติแต่โดยทั่วๆไปแล้วเราไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ในเมื่อกายกับใจแยกออกจากกันได้เจตบกับอารมณ์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 เขาปฏิบัติสมาธิกันบางอย่างเช่นสมาธิเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์พิธามไสยศาสตร์บางอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังบางอย่างก็มีประสิทธิภาพที่สามารถทําให้ผู้คนมีอันเป็นไปต่างๆเช่นทําให้เกิดพิกลจริตทาให้หลงไหลและบางทีถึงอาจสามารถทํา ให้พู้ถูกกระทานั้นถึงแก่ชีวิตก็ได้เช่นหลวงพ่อเคยศึกษาและเคยอ่านตำลับตำลามาวิชาไสยศาสตร์บางอย่างเขาสามารถจเจริญธรรมสมาธิแล้วปล่อยตะปูไปเข้าท้องคนก็นได้อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิบางทีหนังแผ่นบเบลอ เศคาถาทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทบให้มันเหลือและเพียงแค่หัวไม่ขีดไฟแล้วก็ดีดเข้าท้องไปทาให้เกิดเจ็บป่วยถึงตายไปก็ทำได้อันนั้นนี่ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่แต่ว่าท่านผู้ฟังอยากเข้าใจว่าหลวงพ่อทำได้เป็นแต่เพียงว่าคนฟ้าตำหรักตาราแล้วก็เที่ยวหาดูคนที่เขาทำกัน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 แต่เขามีสัตว์คือการทำจริงศา ส, สนาพราหมณ์ก็ไม่มีศีลห้าศีลแปดแต่เขาทำตามลทัทธิแบบอย่างของเขาเขาก็มีสมาธิแล้วก็มีอิทธิิตได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ในอินเดียก็ยังมีพวกลทัทธิบำเพ็ญสมาธิโดยไม่ได้ปฏิญญาณตนเป็นผู้มีศีล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 เป็นคนชาวจังหวัดสุรินไปอยู่ที่อินเดียถึงยี่สิบปีแล้วก็รู้สึกว่าไปเรียนลัทธิของพวกพรามมีอิทธิฤทธิ์เขาลุยไฟท่านก็ลุยได้เขาเดินบนตะปูท่านก็เดินได้นอนบนฝากบนหลามท่านก็นอนได้ไปเปลื้องผ้านั่งตาหิมะ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 ท่านก็ได้ศึกษาตามรัติกรรมฐานโบราณที น, นการศึกษาตามรัติกรรมฐานโบราณนั้นท่านทําตามรูปแบบของหลักวิชาการนั้ น, น, นเรียกว่าเรียนทำซึ่งสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะประสิทธิประสาทสั่งสอนอย่างไรวิธีการก็มีการขึ้นครูกรรมฐาน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 นั่นมีหวังที่จะได้รับผลในภพหน้าชาตาเพราะการละเมิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งมันเป็นการเพิ่มผลของบาปกรรมถ้าเรางดเป็นเสียแต่ในวันนี้ก็เป็นการว่าเออนันวัน า, าตัดผลเพิ่มของบาปกรรมเช่นอย่างเมื่อวานนี้เรามีบาปมีกรรมเพราะละเมิดศีลห้าอยู่มีน้ําหนักสมมติว่าประมาณสักหนึ่งกิโลก ร, รม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 อาศัยอำนาจแง่งศีลเป็นเครื่องอบรมปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นก็นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิที่ในหลักจัดสินว่าเราปฏิบัติอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องย้อนมามองในหลักของศีลท่าเกนั่นแหละคุ ณ, ณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจท่าว่าสิ่งใดมันทำให้จิตใจของเราต้อง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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกันหาความทะเยอทะยานผู้เท่าผู้แก่ที่พากันเข้าวัดเข้าวาทั้งหลายในมาพูดถึงเรื่องของกิเลสของกันหาแล้วดูมันท่านเหล่านั้นจะเหมนเบื่อซะยิ่งกว่าอะไรดีแต่ความจริงนี่ในเมื่อเรามาพิจารณาให้ซึ้งซึงลงไปแล้วกิเลสเป็นของดีดีจริงๆถ้ารู้จักใช้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 ทุกทุกคนมีกิเลสพอที่จะอวดกันได้พอๆกันทุกคนที่นี่กิเลสปัญหาเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้เอาไว้ให้เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นในการกระทำความดีคำว่ า, าความดีเนี่ยอะไรก็ได้แม้แต่ความดีเกี่ยวกับการครองชีพที่อยู่เป็นกฤหัตก็ได้ชื่อว่าเป็นความดี ทีนี้เราจะใช้กิเลสตาวนั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเช่นสมมติว่าเรามีความทะาเยอท่ายานอยากได้ดีได้ดีอยากร่ำอยากรวยเราก็เอาศีลห้าข้อสิมาตีเส้นขนานเอาไว้ว่าเราจะใช้กิเลสในขอบเขตแห่งศีลห้าข้อนี้เช็นเราอยากรวยถ้าอยากรวยโดยสดจริตก็กระเตื้อเรื่อร้อนบันขยัน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 เราก็ไม่ได้ละเมิดศีลข้ออัินาทานเราอย่าปล่อยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ลักไม่ขมโมยเราก็ไม่ได้ไปทําการฆ่าการอะไรเราก็มีศี่งข้อปาณาติบาต ท, ทีนี้เมื่อเรามีสีลงห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีตามพื้นเทของความเป็นฆราวาสปกครองย่าวนเราก็ได้ทําแต่ความดีทําแต่ความดีทีนี้ความดีที่เราจะหมายเอาเป็นความดีนั่น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 แล้วหน้าที่ของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราต่างคนต่างปฏิบัติตามตามหน้าที่ของเราโดยถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยอาศัยระเบียบการทํางาน น, น, นั้นเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้เชื่อว่าเรากระทําความดีความดีอันนี้แหละมันจะทําให้สังคมของเราสงบและโดยเฉพาะศีลห้าข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคม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 ห้ามไม่ให้มนุษยฆ่ากันเบียดเบียนกันข่มเหงรังแกกันทําความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็พยายามทําจิตทําใจให้ลดเว้นตามกฎนั้นๆอย่างจริงจังลงไปเมื่อมนุษย์แว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการก่มเหงรังแกกันได้โดยเด็ดขาดโดยวิสัยสัญชาติญาณของมนุษจ่อมเป็นผู้มีจิตใจสูง เมื่อเว้นจากการฆ่าเบียดเบียมนมาลดได้โดยเด็ดขาดอิทธิพลของความเมตตาก็ย่อมแผ่คลุมไปถึงสัตว์เตรัฉานได้ในที่สุดสัตว์เดรัฉานก็ฆ่าไม่ได้นี่คือหลักความจริงที่พูดจนนี้ก็เ พ, เพื่อจะแก้ข้อข้องใจบางท่านอาจจะมีความหลักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทำสงครามกับโครคภัยไข้เจ็บอยู่ทุกวันทุกวัน โรคบางอย่างมันก็มีตนมีตัวเช่นโรคปัญญาตเป็นตน้นประเดี๋ยวบางท่านสั่งายาขับปยาญาออกไปปรเดี๋ยวโอ้ยทำปาณาติบาตตายแล้วตกนรกเดี๋ยวปัญหาเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายย่อมหนักใจแล้วก็มีคนไปถามอาจามาภาพอย่บ่อยๆในมอเป็นเช่นนั้นได้ว่าท่านคล่องใจท่านจะทำใจของท่านอย่างไร อาจจะมาจะ ย, ยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าพระเป็นโรคพยาธิลาไส้แล้วก็ไปขอยาคนหมอมามาแล้วพระว่าฉันนั้นจะฉันยาเี่เพื่อฆ่าพยาธิในลใําไส้ถ้าพระตั้งใจอย่างนี้พระเป็นอบัตตปายเจตีเพราะการฆ่าสัตว์แต่ถ้าพระคิดว่าฉันจะฉันยาเพื่อบําบัดโรคภัยไข้เจ็บ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 พระพุทธเจ้าก็ยังทรงรักษาทรงอนุญาตให้พระพิสุขันยาทีนี้โรคภัไข้เจ็บเช่นอย่างโรคที่อโรคที่หิดที่กราบอะไรพวกโมเดียมันก็มีตัวข้อมันทั้งนั้นสมัยเมื่ออจะมาเป็นสามเณรตัวเล็กๆเนี่ยมันสกปรกเป็นที่หิดเต็มตัวตอนเช้าๆหน้าแล้วหนาวก็เอาเข็มมาบ่งตัวที้หิดออกมามาวางใส่แผ่นกระจกแล้วมันก็ไต่ด้อมด้อมดอมดอ ม, ดอ ม, ดอ ม, ดอมให้ดูก็แสดงว่ามันมีตัว แต่คนที่เป็นโรคผิวหนังในสมย m, ca, US, ัยกลางกุตรการพระภิสุก็เคยเป็นแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ทายาแต่พระองค์ก็บอกว่าอย่าทายาเพื่อฆ่าตัวพยาติทาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคให้หายอันนี้การทำบาปกรรมเล็กๆน้อยอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราคิดว่าเราจะให้ยาหรือฉันทานยาเพื่อจะฆ่าโรคนั้นๆ ถ้าขึ้นคำว่าฆ่าแล้วมันก็ผิดศีลข้อปานาติบัตาครั้งนั้นเมื่อไม่นานมานี้อาตมาภาพก็ถูกสมเร็จพระบรมมหราชินี น, นาถท่านรับสั่งถามเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพเพื่อที่ศูนย์ศิลปาชีพนั้นท่านไปทรงแนะนําให้รัศดรเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทีนี้เมื่อปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้นมาแล้ว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 อย่าไปทรงแนะนําเขาถึงขั้นที่จะต้องเอาตัวไหม่ต้มลงไปในหม้อหากในทํานองนี้สมเด็จค้นจากโทษภาณาธิบดีแล้วตวมาภาพขอถวายพระพรถามว่าเคยมีรับสั่งให้เขาเอาตัวหม่อนต้มลงในหม้อรหรือเปล่าท่านก็รับสั่งว่าไม่เคยถ้าหากไม่เคยสมเด็จก็ไม่เป็นบาปไม่ต้องเป็นห่วงใยเรื่องบาปกรรม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 ผู้ที่รับทานเนื้อสัตว์แต่ไม่มีความสงสัยแครงใจใดๆถือว่าเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกแล้วก็แม่ปู่ย่าตายายเคยพารับทานอย่างไรฉันก็รับทานไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้จะไปจับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าด้วยมือของเราเองเราเอาของสำเร็จโลกแล้วมารับทานถ้าเราทำใจอย่างนี้เราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าหากว่าทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้ลงมือฆ่าเอง ไม่ได้ลงมือเชื้อเองแต่เราไปนึกสงสัยว่าการรับทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นการส่งเสริมปานาติบาตถ้าท่านไปคล่องใจอยู่อย่างนี้แล้วรับทานลงไปท่านเป็นบาปประโยชน์นในเรื่องนี้ไกลๆอย่าไปสงสัยการปฏิบัติการงดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นข้อปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ไม่เสียหาย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 เราจะเข้าไปสู่ห้องพระที่เราเคยสักการะบูชาไหว้พระสวดมนต์แทนเมตาเตาพอเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตามแบบที่เราพุทปหนัง่งทางสมาธิแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นนึกในใจว่าพุทโธธรรมโมสังโฆ ถ, ถึงสามครั้ง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 เมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมุ่งต่อความสงบเรื่ อ, อยไปนิวรห้าคือกา ร, รมาฉันทาพยาบาทจินมิธะอุทาจาัจจะุกุจจะวิกิจิตาหายไปหมดแล้วจิตมีแต่ความสุขความสบายประกอบพร้อมไปด้วยปิติและความสุขและความสงบ อ, อันนี้สมาธิในขั้นเริ่มต้นปรากฏขึ้น